บัดนี้จักได้แสดงธรรมกคาซืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดวรธียี่สิบหกว่าด้วยพรามหรือพรามมณวัคควันนาเราข้อที่หนึ่ง ตัดกระแสะแห่งตันหาพระพุทธภาษิตชินทะโซตังปรกมะกาเมปนูทพรามณนะสังขารานังขยังยัตตวาอากะตันยูสิพรามณนะแปลว่าพราหมณ์ท่านจงบากบั่นตัดกระแสะแห่งตันหาเสียจงบรรเทากามเสียเถิด ท่านรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารแล้วจะเป็นผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้จะที่บายว่าตัญหาคือความดิ้นรนความทยานอยากพระอัฏกถาจารย์กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ากระแสะแห่งตัญหาแล้วจะตัดด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยย่อมไม่สำเร็จจะต้องตัดด้วยความพยายามมาก อย่างนั้นตันหาเป็นเรื่องตัดยากจริงๆมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดบางท่านคิดว่าตัดมันได้แล้วแต่ความจริงมันยังแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เหมือนโรคบางอย่างที่ดูอาการภายนอกไม่ปรากฏแล้วแต่มันแอบแฝงอยู่ในเลือดพอถูกของแสลงเข้ามันก็ปรากฏออกมาอีกวิธีตัดกระแสแห่งตันหานั้น ท่านสอนให้ตัดตั้งแต่ผัสสะคือพอกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รีบตัดความพอใจหรือความไม่พอใจเสียท่านเรียกว่าไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าสู่จิตถ้าอภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าไปเมื่อใดเมื่อนั้นบาปอกุศลต่างๆก็ไหลาตามเข้าไปด้วยเหมือนไฟปรากฏณที่ใดความร้อนย่อมมีณที่นั้น น้ำไหลเข้าไปณนะที่ใดความเย็นก็าตามเข้าไปณนะที่นั้นการตัดกระแสแห่งตัญหาจึงต้องตัดที่พัดสะพูดถึงเรื่องการบันเทากามการ ม, มีสองอย่างคือความใคร่หนึ่งสิ่งที่ใคร่หนึ่งความใคร่เรียกกิเลสกรรมสิ่งที่ใคร่เรียกว่าวัตถุกรรมการบันเทาในที่นี้ท่านหมายถึงการขับไล่ออกไป การกําจัดและไม่ให้เกิดขึ้นอีกข้อว่ารู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายว่าสิ่งทั้งหลายส่วนมากมีปัจจัยปรุงคือเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยท่านเรียกว่าสังขารหรือสังคตะส่วนพระนิพพานนั้นเป็นวิสังขารเป็นอสังคตะไม่มีปัจจัยปรุงคำว่าอากตรัญยู ในขาถานี้ไม่ได้แปลว่าผู้ไม่รู้คุณคนแต่แปลว่าผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คุณสมบัติอันนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะการรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะเฉตวนารามทรงปรารพรพามผู้มีความเลื่อมใสามากมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พราหมณ์ผู้หนึ่งในเมืองสาวัตถี ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมีจิตเลื่อมใส ย, ยิ่งตั้งนิตยพัดไว้สำหรับภิกษุ16รูปในเรือนของตนเป็นประจำทุกวันเมื่อภิกษุทั้งหลายมาพรามนั้นจะรีบรับบาทนิมนต์ให้นั่งพร้อมกล่าวว่าขอพระอรหันต์จงมาขอพระอรหันต์จงนั่งเมื่อจะกล่าวคำใดคำหนึ่งก็กล่าวแต่คำอันประกอบด้วยวาทะ ว่าพระอระหันต์เท่านั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนก็ละอายตนเองที่พราหมเรียกว่าอรหันต์อรหันต์ส่วนภิกษุที่เป็นขีณาศพก็เกิดรังเกียจขึ้นว่าบัดนี้พราหมรู้ว่าเราเป็นอรหันต์แล้วดังนี้แล้วจึงไม่ไปสู่เรือนของพราหมส่วนพราหมเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ยอมมาเรือนของตนก็เสียใจน้อยใจ ไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าเหตุไรภิกษุสาวกของพระองค์จึงไม่ไปรับนิตยพัทในเรือนของตนพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามเมื่อทราบความแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอยินดีวาทะว่าพระอรหันต์อยู่หรือพวกข้าพระองค์ไม่ยินดีพระเจ้าข้า เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอารหันต์ก็เป็นเพียงคำกล่าวด้วยความเลื่อมใสของมนุษย์ทั้งหลายไม่เป็นอาบัติแก่พิกษุในเพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใสอีกอย่างหนึ่งพราหมณ์นั้นมีความรักใคร่อย่างยิ่งในพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพวกเธอจงรีบตัดกระแสตัณหาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เสียเถิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าชินทโสตังปรกกรมะ เป็นอาธิมีนยะดังพันน า, นามาแล้วแต่ต้น 2. ผพูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองพระพุทธภาษิต ย, ยาะาทวะเยสุธรรมเมสุปารคูโหติพรามโนอัฏฐะสะเพสังโยคาอังคัตฉันติชาณโต แปลว่าในการใดพราหมณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งสองในการนั้นกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของพราหมณ์ผู้รู้นั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ฝั่งในธรรมทั้งสองคือสมณะธรรมหนึ่งวิปัสนาธรรมหนึ่งได้แก่การทำใจให้สงบและการทำปัญญาให้พุ่งโพรงขึ้นเพื่อชำระ ก, กิเลสให้สิ้นสูน กิเลสเครื่องประกอบมีกามเป็นต้นอันประกอบสัตว์ไว้ในภพกิเลสนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะถูกไฟคือสมถะและวิปัสนาเผาให้เราร้อนพึงทราบกิเลสเครื่องประกอบ4อย่างอันท่านเรียกว่าโยคะบ้างโอคะบ้างอาสวะบ้างดังนี้ 1. กามโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือกาม 2. ทิฏฐิโยคะ กิเลสเครื่องประกอบคือความเห็นผิด 3. ภวะโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือพบสอวิชายาโยคะกิเลสเครื่องประกอบคืออวิชชาเรียกว่าโอคะบ้างเพราะเปรียบเหมือนห่วงน้ำเรียกว่าอาสวะบ้างเพราะหมักดองสันดานสัตว์ทั้งหลายไว้พูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนา คือทำสมถะและวิปัสนาจนถึงที่สุดแล้วจบแล้วกิเลส ท, ทั้งหลายมีการเป็นต้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือถึงความสิ้นไปผู้ถึงฝั่งโดยเดินตามสายสมถะท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติบุคคลผู้ถึงฝั่งโดยสายวิปัสนาท่านเรียกว่าปัญญาวิมุตติบุคคลเรื่องนี้พระศ า, าสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเจตวันวิหาร ส่งปรารภพระภิกษุมากรูปมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุมากรูปเรียกันมาจากทิศต่างๆเพื่อเฝ้าพระาศาสดาพระสารีบุตรเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุเหล่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดายืนถามปัญหาว่าพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสว่าทำสองประการทำสองประการดังนี้อะไรคือทำสองประการ พระศาสดาตรัสว่าสมถะและวิปัสนาและเราเรียกว่า ร, รมสองประการดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายะทาทะวะเยสุธรรมเมสุเป็นอาทิมีในยะดังปรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลนี่เราจะสังเกตเห็นได้ว่า การฟังธรรมในสมัยโน้นเพียงฟังธรรมปุ๊บก็จบพรหมจรรย์ปั๊บเลยบางทีพระองค์ตัดคาถาสั้นๆแต่เข้าใจพอเข้าใจก็บรรลุในอาสนะเดียวในขณะนั่งฟังธรรมสมกับที่ท่านกล่าวว่าเป็นยุคหนึ่งกวเป็นวิมุตติยุคยุคแข่งการตัดสรุ คือผู้ที่มาเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนมากก็ได้สั่งสมบรารมีเนี่ยมาเพียงพอพร้อมที่จะสรูแล้วเหมือนที่พระองค์ส่งอุ ป, ปมาเหมือนดอกบัวที่ผลจากน้ํารอแสงอาทิตย์เท่านั้นเนี่ยแต่เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมก็ท่กับว่าแสงอาทิตย์ส่องไปสู่ดอกบัวที่พร้อมจะบานเนี่ยพอถูกแสงอาทิตย์ก็บานทันทีเร็วมากเพราะพร้อมแล้ว ึงว่ายุคแข่งการตัดสรุปการฟังธรรมนี้ไม่ธรรมดานะถ้าฟังดีเว่าสุดสูงสังละพะเตปัญญ์ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาปัญญานั่นแหละที่จะทำให้รู้ธรรมเห็นธรรม 3. ผู้ไม่มีความกระวนกระวายพระพุทธภาษิตยัสปารังอ ป, ปารางวาปาราปารังนวิชติต วิตตัฏริยังวิสังยุตตังตะมะหังพรูมิพรามนังแปลว่าฟังหรือมิใช่ฟังทั้งฝั่งและมิใช่ฟังไม่มีแก่ท่านผู้ใดเราเรียกบุคคล น, นั้นผู้ไม่มีความกระวนกระวายพรากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพรามคําว่าฟังวงเล็บปารัง ส่งหมายเอาอายตนะภายใน6คําว่ามิใช่ฟังอปารังส่งหมายเอาอายตนะภายนอก6อายตนะทั้งภายในและภายนอกเรียกว่าปาราปารังคือทั้งฝังและมิใช่ฟังอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่รสโผฏฐะและธทำมารมณ์ อาชนะทั้งสองนี้ไม่มีแก่ผู้ใดที่ว่าไม่มีคือไม่มีความยึดถือว่าเราว่าของเราเมื่อไม่มีความยึดถือเช่นนี้ความกระวนกระวายเพราะราคะโทสะหรือโมะหะก็ไม่มีพราดกิเลสเสียได้บุคคลเช่นนี้แหละทรงเรียกว่าพรามในความหมายว่าผู้ประเสรศิฐหรือผู้ลอยบาปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะเฉตวนาราม ทรงปรารบมานมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งมานนั้นปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าฝั่งนั้นทรงหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านี่คือมานจึงตรัสว่ามานประโยชน์อะไรของท่านด้วยฝังคนไม่มีราคะเท่านั้นที่จะถึงฝั่งได ดังนี้แล้วตรัดภาคาถาว่ายัจจะปารังอปารังวาเป็นอาทิมีรนยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เป็นพุทธภาษิตย่อๆนะแต่ก็มีความหมายในตัวแนละ้พอเรากล่าวถึงอายตนะถ้ายนอกภายในสำหรับผู้ปฏิบัติก็สามารถเข้าใจได้พออายตนะที่ มีทั้งสองอย่างเมื่อมันกะทบกันเมื่อไรก็เกิดผัสสะผัสสะก็ทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตันหา้าตันหาก็ทาให้เกิดรูปาทานมันก็จะต่อตายกันไปถ้าเราภาวนาก็จะมองเห็นเป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่อะไรทำให้เกิดอะไรทำให้ดับ ถ้าเป็นเชื้อมันก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดไปเรื่อยถ้าดับเชื้อมันก็เป็นปัจจัยไปทางดับดับไม่เหลือ 4. ปราชจาจักทุรีคือกามพระพุทธภาษิตชาญิงวิระชมาสีนังกะตะกิจจังอนาสวังอุตมัถังอนุ ป, ปตังตมหังโปรมิพรมามนัง แปลว่าเราเรียกท่านผู้เจริญฌานมีกามดุดธุลีสิ้นแล้วมีปกติอยู่ผู้เดียวมีกิจที่ควรทําได้ทําแล้วไม่มีอาสะวะได้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพรามอธิบายว่าคําว่าผู้เจริญฌานท่านหมายเอาฌานสองคืออารม์มนุปนิฌานมีสมถะเป็นอารมณ์หนึ่ง ลักขณูปนิชฌานมีวิปัสนาเป็นอารมณ์หนึ่งชานทั้งสองลักษณะนี้มี8ชั้นข้อว่ามีกามดุทุลีสิ้นแล้วความว่ากามท่านเปรียบด้วยทุเรศเพราะทําให้เศร้าหมองบุคคลย่อมเศร้าหมองเพราะกามทะเลาะกันก็เพราะกามตกต่ําและเดือดร้อนก็เพราะกามข้อว่ามีกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วอธิบายว่า กิจที่ควรทำของสมณะคือกิจในอริยสัจสี่หรือการทําให้แจ้งในอริยสัจซึ่งมีกิจ16อย่างดังนี้วงเล็บ1ทุกขมีกิจ4อย่างคือเบียดเบียนหนึ่งปัจจัยปรุง1เร่งร้อน1แปรปลวน1 2. สมุทัยมีกิจ4อย่างคือให้เกิดทุกหนึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งทุกหนึ่ง ประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์หนึ่งขังไว้ในเรือนจำคือสังสารทุกข์หนึ่งวงเล็บสนิโรธมีกิจ4ี่อย่างคือออกจากกุปธิหนึ่งสังัดจากกิเลสหนึ่งปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้หนึ่งเป็นอมตะรสวงเล็บสม่มัสมีกิจ4ี่อย่างคือออกจากสงสารหนึ่งเป็นเหตุแห่งพระนิพพานหนึ่ง เห็นพระนิพพาน1เป็นใหญ่ในการเห็นพระนิพพานหนึ่งอธิบายกิจ16นี้ดึงมาจากเชิงอัตของอัตถกถาธรรมบทแปลภาค8หน้า165ในที่บางแห่งท่าแสดงโสระสักิจคือวงเล็บกิจ16ในอริยสัจว่าได้แก่ปริญญาปหาณนะสัจจิกรณะและภาวนาเป็นไปในอริยสัจส์4 ทุกเป็นปริญญยยธรรมควรกำหนดรู้การกำหนดรู้เป็นปริญญาคือการกำหนดรู้ทุกสมุทัยเป็นปหา r ตัปพธรรมควรละการละสมุทัยเป็นปหานะนิโรธเป็นสัจจิกาตัปพธรรมควรทำให้แจ้งการทำนิโรธให้แจ้งเป็นสัจจิการณะ มักเป็นภาเวตพพธรรมควรเจริญการเจริญมักเป็นภาวนาอันหนึ่งกิจในอริยสัจส์4นั้นมีอย่างละ3กล่าวคือสัจจยานกิจจยานและตัตยาน3ามบวกสเท่ากับบอกอริยสัจสี่เ่ากับอย่างไหนควรจะถูกต้องที่สุดขอท่านผู้รู้ได้โปรดพิจารณาเถิดท่านผู้ใดได้ยาน3ในอริยสัจสี อย่างครบถ้วนท่านผู้นั้นเรียกว่าได้ทํากิจที่ควรทําครบบริบูรณ์แล้วข้อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวนั้นอธิบายความว่าเป็นผู้ไม่มีตัณหาท่านเรียกว่าเป็นผู้อยู่คนเดียวเป็นผู้มีตัณหาแม้จะอยู่คนเดียวก็ชื่อว่ามีเพื่อนเพื่อนคือตัณหานั่นเองวงเล็บตัณหาทุติโยปุริโส ข้อว่าหาอาสวะมิได้อธิบายว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะคือกิเลสเครื่องหมักดองทั้ง4ได้แก่กามภพทิฏฐิและอวิชชาข้อว่าบรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วหมายถึงบรรลุพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวทรงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสด า, สดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวัน ทรงปรารรพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้พราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระศาสดาตรัสเรียกภาษาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์ส่วนเราเป็นพราหมณ์โดยชาติและโคตพระองค์ควรจะเรียกเราอย่างนั้นบ้างดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราไม่ได้เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติโคตหรือสกุล แต่เราเรียกบุคคลผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วเท่านั้นว่าเป็นพราหมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าชาญิงวิระชามาศีหนังกตะกิต จ, จังอนาสวังเป็นอาธิมีนัยยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพรามนั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล 5. ทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดช พระพุทธภาษิต ท, ที่วาตะปะติอาทิตโจรติมาภาติจันที่มาสันนทโทขติโยตะปะติชายีตะปะติปรมโนอัฏัพพะมโหระติงพุทโธตะปะติเตชะสาแปลว่าดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องรบแล้ว รุ่งเรืองพราหมณ์มีชานจึงรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองทั้งกลางวันและกลางคืนทุกเมื่อด้วยพระเดชของพระองค์อธิบายสองประการแรกแจมแจ้งแล้วข้อว่าพระราชาทรงเครื่องรบแล้วย่อมรุ่งเรืองนั้นอธิบายว่าเมื่อทรงเครื่องราชสิทธิ์สิยาภรณ์และกษัตริย์ครบบริบูรณ์แล้วประทับอยู่ท่ามกลางราช เสนาทั้งสี่เหาย่อมมองดูสง่างามแต่เมื่อพระองค์ทรงเครื่องอย่างคนธรรมดาหรือในเวลาปลอมแปลงพระองค์เป็นคนสามัญหาสง่างามไม่ส่วนพราหมณ์หมายถึงพระขีนาสพคือพระอรหันต์เมื่อเข้าฌานอยู่ย่อมดูรุ่งเรืองแต่พระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองกว่าใครทั้งหมดด้วยพระเดชห้ประการของพระองค์เดชห้าประการทรงครอบงำหนึ่ง ความทุศีลด้วยศีล 2. ความชั่วด้วยความดี 3. ความโง่ด้วยปัญญาสบาปด้วยบุญ 5. อาธรรมด้วยธรรมตามในยัตตกถาธรรมบทเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารพระอานนทเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ในวันมหาป ร, รานาคือวันออกพรรษาแล้ว วันหนึ่งพร ะ, พระเจ้าเปเสนที่โกสนทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาณเฉตวันวิหารขณะนั้นพระการุทายีเถระนั่งเข้าฌานอยู่ท้ายพุทธบริษัทสรีระของท่านเปล่งปลั่งดุจทองคําขณะนั้นพระจันทร์กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังอัดสดงคตพระานนทเถระและดูรัศมีของดวงอาทิตย์ซึ่งกาลังอัดสดงคต มองดูรัศมีแห่งจันท์ซึ่งกําลังขึ้นมองดูรัศมีของพระการุฑายีเถระพระสรีโรพาธแห่งพระราชาและของพระตถาคตเจ้าได้เห็นว่าพระศรีโรพาธแห่งพระตถาคตเจ้ารุ่งเรืองล่วงรัศมีทั้งปวงพระอาอนนทะเถระจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระพธองค์ทรงทราบลําดับนั้นพระาศาสดาตรัสว่าอาอนนท์ข้อนี้ คือพระอาทิตย์สว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างในกลางคืนพระราชาประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วย่อมรุ่งเรืองพระขี่นาศบละความพระคนด้วยหมู่แล้วย่อมรุ่งเรืองในสมาปัตดส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยพระเดศ5อย่างตั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วตัดประคาถาว่าที่วาตปฏิอาทิตโจเป็นอาทิมีดยะดังพรานามาแล้วแต่ต้น ด้วยความสว่างเนาะจันพระอาทิตย์ถึงสว่างก็ยังสู่พระพุทธเจ้าไม่ได้สู่ภูเข้าฌานไม่ได้โดยเฉพาความสว่างแห่งปัญญาแห่งบารมีธรรมผู้ที่มีจิตใจสงบเข้า ส, สู่ความสงบหรือเข้าฌานอยู่ย่อมสว่างย่อมมีรัศมีอ้ 6. ผู้ได้นามว่าบันพชิตพระพุทธภาสิทธพาหิตาปาโปหิพรามโนสมจริยายะสมโนติวุจจติปพาชยมั ต, ตโนมะมลังตัดสมาปภัสิโตติวุตจติแปลว่าบุคคลผู้ลอยบาปได้แล้วเราเรียกว่าพรามเราเรียกคนว่าสมณนะเพราะประพฤติสุจริต ผู้ขับไล่มนถินของตนเราเรียกว่าบรรพชิตคำว่าผู้ลอยบาปอธิบายว่าไม่เอาบาปติดตัวไปลอยไปให้ไกลตัวและไม่นำตนเข้าไปใกล้บาปเป็นผู้ละอายที่จะทำบาปและเกรงกลัวผลของบาปทุจริตทั้งมวลบุคคลเช่นนั้นแหละควรได้นามว่าพรามผู้ประพฤต์เฉพาะสุจริตธรรมสัมมาปฏิบัต จึงสมควรได้รับนามว่าสมณนะคือผู้สงบกิเลสบาปธรรมผู้ลอยมนทินของตนจึงควรได้นามว่าบรรพชิตมนทินคือกิเลสอันทำให้เศร้าหมองมีเก้าอย่างคือโกรธหนึ่งลบหลูคุณท่านหนึ่งยาหนึ่งตรณีหนึ่งมายาหนึ่งมักอวดหนึ่งพูดปดหนึ่งมีความปรารถนาลามกหนึ่งเห็นผิดหนึ่ง บุคคลผู้ปราศจากมวลถินเช่นนั้นแหละจึงสมควรได้รับนามว่าบรรพชิตเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันและประารพบรรพชิตุผู้หนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้พราหมณ์คนหนึ่งบวชแล้วภายนอกพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเขาคิดว่าพระสัมณโกดมเรียกสาวกของพระองค์ว่าบรรพชิตเราก็เป็นบรรพชิตเหมือนกันพระองค์ควรเรียกเราอย่างนั้นบ้าง ดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราหาเรียกบุคคลว่าเป็นบรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านั้นไม่แต่บุคคลชื่อว่าเป็นบรรปชิตเพราะลอยมนทินของตนเสียได้ดังนี้แล้วได้ตัดประกาถาว่าพาหิตะปาโปหิพรามโนเป็นอาทิมีนิยัตรังพันามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบ เทศนาบรรพชิตนั้นดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลธรรมะสันๆกินใจก็ทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ากระตุกได้เหมือนกันเนี่ยจ็ดพรามไม่ควรประหารพรามพระพุทธภาษิตนพรามนัสสะปหาเรยยะนาสสะบุญเจตพรามโน ทิพรามนัสสะหันตารังตะโตทิยัตสมุญจตินางพรามนัสเสตะทกินจิไสยโยยธานิเสทโทมณโสปิเยหิยะโตยะโตหิงสมนโนนิวัตติตะโตตะโตสัมมติเมวะทุกขังแปลว่าพรามไม่ควรประหารพรามไม่ควรจองเวรพราม หน้าติดเตียนพราหมณ์ผู้ประหารพราหมณ์หน้าติดเตียนพราหมณ์ผู้จองเวรยิ่งกว่าพราหมณ์ผู้ประหารนั้นเสอีกความเกียดกัรใจจากอารมณ์ที่น่ารักนั้นใดความเกียรติกัรใจนั้นของพราหมณ์นั้นเป็นความประเสริฐไม่น้อยใจที่ประกอบด้วยความไม่เบียดเบียนหันหลังให้อารมณ์ใดๆความทุกจากอารมณ์นั้นๆย่อมสงบลงได้คือย่อมไม่มีอธิบาย พราหมณ์ในที่นั้นทรงประสงค์เอาพราหมณ์ทั้งโดยกำเนิดและโดยคุณธรรมในท้องเรื่องนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งประหารพระสารีบุตรวงเล็บซึ่งเป็นพราหมณ์โดยคุณธรรมในขณะเดียวกันหากพราหมณ์ใดถูกประหารแล้วจองเวรผู้ประหารทรงตีเตียนผู้จองเวร น, นั้นยิ่งกว่าผู้ประหารเสีย อ, อีกเพราะทําให้เวรยืดเยือ้อ ทรงสันเสริญการกีดกันใจจากอารมณ์ที่รักและที่ชังว่าเป็นความประเสริฐของพรามทรงสรรเสริญการไม่ด่าตอบไม่ประหารตอบว่าเป็นคุณอันประเสริฐอันหนึ่งใจของคนส่วนมากน้อมไปในความเบียดเบียนในกามและในความพยาบาทส่วนใจของท่านผู้ใดหันหลังให้คือไม่ยอมคบไม่ยอมอยู่ร่วมกับความเบียดเบียนความทุกข์ของท่านผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุแห่งทุกข์ คือความเบียดเบียนอันเขาตัดได้ขาดแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเฉตะวันทรงปรารบพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พวกมนุษย์เป็นอันมากในที่แห่งหนึ่งกล่าวคุณกถาของพระสารีบุตรเถระว่าหน้าชมจริงพระคุณเจ้าของเราอุดมด้วยขันติธรรมไม่โกรธแม้คนอื่นด่าก็ตามประหารก็ตาม พระมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งฟังแล้วกล่าวแย้งว่าที่ท่านไม่โกรธเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยั่วให้ท่านโกรธกระมังหามิได้เลยมนุษย์ทั้งหลายตอบแม้ใครด่าหรือประหารท่านท่านก็หาโกรธไม่เราจะทดลองพรามว่าเชิญเถิดเมื่อเห็นภาษารีบุตรออกบินทบาทพรามนั้นเดินตามไปข้างหลังพอได้โอกาสเหมาะก็ตีท่านข้างหลังอย่างแรง พระเถระเดินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสริระของพราหมเร้าร้อนไปทั่วเพราะรู้สึกผิดอัศจรรย์ที่เห็นท่านไม่โกรธจึงหมอบลงแทบเท้าของท่านอะไรกันนี่ท่านถามกระผมขอโทษขอรับที่ประหารท่านโปรดยกโทษให้ผมเถิดฉันอดโทษให้ท่านภาษารีบุตรตอบถ้าท่านอดโทษให้กระผมจริง โปรดไปรับอาหารที่บ้านผมกรุณาส่งบาตมาเถิดขอรับพระเถระรับนิมนต์ส่งบาตให้พราหม์ถือบาตเดินนาพระเถระไปยังเรือนของตนพวกมนุษย์ที่เห็นเหตุการณ์โกรธพราหม์ว่าตีพระเถระจึงต้องการแก้แค้นแทนพระเถระโดยจะฆ่าพราหม์เสียชวนกันไปแอบอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านพราหม์ เมื่อพระเถระและพราหมณมาถึงจึงขอร้องให้ภาษาลีบุท ร, รับบาทของท่านคืนไปพวกเขาจะประหารพราหมณ์ให้สมกับความแค้นพราหมณ์นี้ประหารท่านทั้งหลายหรือประหารเราพระเถระถามประหารท่านขอรับ mm hmm. เขาได้ขอขอมาแล้วฉันได้ให้อภัยแล้วท่านทั้งหลายจงกลับกันเฉิดเถิดพวกภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนี้เข้าได้ติเตียนภาษาลีบรเถระว่า อะไรกันพระส า, ารีบุตรถูกพราหมณ์ประหารแล้วยังนั่งรับพิคษาในเรือนของเขาอีกจำเดิมแต่นี้ไปพราหมณ์นั้นจะได้ใจไม่มีความละอายหรือความเกรงกลัวคงจะประหารภิกษุทั้งหลายเป็นแน่แท้พระศาสดาสเสด็จมาทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วตัดว่าเมื่อพราหมณ์ผู้เป็นสมณะถูกพราหมณ์คทืหัดประหารแล้วพราหมณ์สมณะย่อมไม่โกรธ เพราะความโกรธนั้นเขาถอนขึ้นแล้วด้วยอนาคามีมักดังนี้แล้วตัดต่อไปว่าพราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์เป็นอาทิมีนยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติหรือคุณธรรมของพระเทระนีอย่างนี้เราก็คุ้นเคยกันได้ฟังกันบ่อยอยู่แล้วนี่ยบางทีท่านบอกว่าความโกรธนี้ไม่จําเป็นจะต้องทําให้เราโกรธนะ คนไปทำให้คนที่เราชอบเรารักเราก็โกรธได้เหมือนกั น, น, นความโกรธมันมีหลายหลายรูปแบบแล้วแต่กรณีโกรธเพราะรักโกรธเพราะชังก็มี 8. ผู้สำรวมด้วยฐานะ3พระพุทธภาสิทธิยะสกาเยนะวาจายะ มณสาัติทุกกตังสังวตังตีหิถาเนหิตมะหังภูมิพรามะนังแปลว่าความชั่วทางกายว่ า, าใจของผู้ใดไม่มีเราเรียกบุคคลผู้สำรวมแล้วด้วยฐานะสามนั้นว่าเป็นพรามกรรมอันมีโทษคือมีความทุกข์เป็นผลเป็นกำไรอย่างสัตว์ให้ไปอบายเรียกว่าความชั่ววงเล็บทุกตัง จริงอย่างนั้นความชั่วทุกอย่างย่อมมีทุกเป็นผลเป็นกําไรทั้งสิ้นแม้จะยังไม่ปรากฏในเบื้องต้นก็ต้องปรากฏในเบื้องปลายคนชั่วเห็นความชั่วเป็นขนมหวานเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความชั่วให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนจริงๆความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วให้ผลนั้นไม่มีอะไรต้านทานหรือป้องกันกรรมชั่วบุคคลทําได้สามทางคือทางกายวาจาและใจ ผู้ใดไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจผู้นั้นชื่อว่าสำรวมแล้วด้วยฐานะทั้ง3พระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปราลพระนางมหาปชาบดีโคตมีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษณุณีด้วยการรับคาุธรรม8ประการ คารุธรรมแปดประการเราอาจจะได้ดูพระพุทธเจ้ามหา ศ, าศาสดาโลกเนี่ยนดูคำแปลในคติทางของเราบ้างถ้าว่าครุธรรมแปดประการได้แก่ 1. ภิกษุณีแม้มีพรรษาตั้งร้อยก็ต้องเคารพภิกษุผู้บวชในวันนั้น 2. ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ 3. ต้องถามวันอุโบสถและไปรับ โอวาทจากพิกสุทุกกึ่งเดือน 4. ออกพรรษาแล้วต้องปรนนาในสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพิษุและพิกสุณี 5. เมื่อต้องอาบัตหนักต้องประพฤตมานัดในสงฆ์สองฝ่าย 6. เมื่อสิกขามานาครบอุปสมบทแล้วต้องให้บวชในสงฆ์สองฝ่าย 7. ด่าว่าเปรียบเปรยพิกสุไม่ได้ 8. ไม่ให้พิษุณีสั่งสอนภิษุ ให้ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวจากวินัยพิดกจุลวัต์เล่มที่7หน้า323เมื่อพระนางรับขรุธถรมแปดประการจากภาษาสดาดีใจเหมือนบุคคลผู้ได้อาบน้ำสำรรกายดีแล้วได้มาไลดอกไม้หอมมาประดับเสียนพระนางมิได้มีอุปชายะหรืออาจารย์อื่นใดเลย ก็ครุธรรม8ประการนั่นเองคือเงื่อนไขในการอุปสมบทของนางโดยการอื่นอีกภิกษุทั้งหลายปรารบถึงเรื่องการอุปสมบทของพระนางแล้วกล่าวว่าพระนางไม่มีอุปชายยะและอาจารย์ถือเอาผ้ากาสายะบวชเอาเองโดยแท้เนเมื่อสนทนากันอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไม่ยอมทำุูโสดและประนาร่วมกับพระนางเลยภิกษุทั้งหลายนําความนั้นไปนกราบทูลพระตถาคตเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าคารุธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีเราเองเป็นอุปชายะและอาจารย์ของพระนางท่านทั้งหลายไม่ควรรังเกียจพระขีณาศพเพราะพระขีณาศกไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายัศากาเยนะ วาจายะเป็นอาทิมีนยะดังพรรณนามาแล้วแต่ตน้นสมัยก่อนก็มีภิกษุเีจยว่าเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่พอสมควรจู้จี้เพราะเรื่องวินัยเพื่อจะใส่โทษคนโน้นคนนี้นี่ขนาดพระมหาปชาบดีโคตมีคออย่างต้องถูกภิกษุปุถุชนนะไม่ใช่พระอริยะไม่ใช่พระรหัน น, น, นี่ก็คิดหาเรื่องโน้นยอาจจะเกิดจากความ ไม่พอใจความน้อยใจค่ะตามภาษาของพิสัยของปุถุชนเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ 9. การนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรพระพุทธภาสิตยำหาธรร ม, มังวิชาเนยยะสัมมาสัมพุทธ ท้เทสิตังสั ก, กจังหนังนมัสเสยยะอคิหุดตังวะพระมโนแปลว่าบุคคลรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเพลิงอธิบายอาจารย์ผู้สอนธรรมให้เข้าใจได้ น้มน้อมจิตใจให้เห็นโทษแห่งความชั่วเห็นคุณแห่งความดีจนเกลียดกลัวความชั่วรักความดีเป็นชีวิตจิตใจนั้นหาได้ยากการตอบแทนบุญคุณของท่านผู้เช่นนั้นก็ทําได้ยากสมดังที่พระศ า, าสดาตรัสว่าบุคคลรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วการตอบแทนผู้นั้นด้วยปัจจัยสคือการให้ข้าวน้ําเป็นต้นหาชื่อว่าเป็นการตอบแทนโดยสมบูรณ์ไม่ แต่การตอบแทนท่านผู้นั้นโดยสมบูรณ์ก็คือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งรวมความว่าต้องตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติธรรมงานสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่มีเกียรติที่สุดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นัชเตวันทรงปรารพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้ ตั้งแต่ฟังธรรมจากพระอัศชิได้บรรลุโสดาปติพลในสมัยยังเป็นอุปติสสะปริพาชกแล้วพระสารีบุตรก็ถือพระอัศชิเป็นอาจารย์ตลอดมาแม้ขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็ยังเคารพพระอัศชิอยู่อย่างเดิมเคารพจนถึงกับว่าเมื่อทราบว่าพระอัศชิอยู่ทางทิศใด ก็นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นภิสษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วก็สนทนากันว่าพระสารีบุตรยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะเที่ยวนอบน้อมทิศทั้งหลายพระาศาสดาตรัสเรียกพระสารีบุตรมาถามพระเทระทูลว่าพระองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าข้าพระองค์นอบน้อมทิศ ต, ตามคติพรามหมรือไม่พระาศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า สารีบุตรหานอบน้อมทิศอย่างที่เธอทั้งหลายเข้าใจไม่แต่สารีบุตรนอบน้อมพระอัศเชิผู้เป็นอาจารย์แสดงธรรมให้ได้บรรลุโสดาปติผลเป็นครั้งแรกภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วพึงนอบน้อมผู้นั้นเหมือนพราหมณ์นอบน้อมบูชาไฟดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายำหาธ ร, รมมังวิชาเนยยะเป็นอาทิ มีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ตนอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของพระสารีบุตร่จนได้รับยกย่องอีกอันหนึ่งว่าท่านเป็นยอดกตัญญูรู้คุณเ่ก็คือตั้งแต่ท่านพระอาสชิแสดงธรรมให้ท่านฟังท่านก็ถือเป็นอาจารย์่ไปที่ไหนก็ นึกถึงอาจารย์กําหนดว่าอาจารย์อยู่ทางทิศใดท่านก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นด้วยความเคารพพวกที่ไม่รู้ก็เรียกว่าทันไหวทิศอยู่พเพราะแต่ ก, ก่อนเขามีการไหวทิศกันนีก็คิดว่าภาษาริบุตรเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนคงจะติดไหวทิศอยู่แล้วมั้งต้องเป็นเรื่องถึงพระพุทธเจ้าทุกทีเรื่องราชพราหมณ์ก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกัน นั่นก็เป็นยอดกะตัญญูของท่านเนี่ยคนจะได้ยินกันบ่อยเนาะราธพามข้าวทะพีเดียวเท่านั้นเนี่ยภาษารีบุตรระลึกได้เนี่ยนี่ไม่ธรรมดานะ <c oughs> เป็นปัญญาท่านเป็นยอดกะตัญญูเล ย, เลยแหละเนี่ยพรามเนะี่ยไม่มีที่พึ่งสู้พร้อมก็เลยอยากจะไปฝากตัวเนี่ย กับพระเจ้าพระสงฆ์อยากจะบวชในศาสนาก็ไปขออาศัยอยู่วัดไปทำอุปการะให้วัดก็คืออาจจะไปปัดกวาดพางหญ้าทำอะไรสารพัดเพื่อให้พระท่านเห็นใจแล้วก็ให้ท่านบวชให้แต่ก็ไม่มีองค์ไหนที่จะบวชให้ท่านเนพราะท่านแก่ไงบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่ก็ไม่มี จนกระทั้งว่าเป็นทุกข์มากทุกข์จนสู้ผอมเลยตามเรื่องก็าว่าทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละเนี่ยจนผิวเหลืองเนี่ย เ, ยเยมื่อเห็นลักษณะนั้นเปิกสุก็ไปกราบถูนุปจิตเจ้านี่บอกว่ามีพรามนีต้องการจะบวชแต่ไม่มีองค์ไหนบวชให้พรามคนนี้ก็เลยสู้ผอมนี่ในพุทธวิสัยนะพระพุทธองค์นะ รู้ปณิสัยปัจจัยเนว่าพระสารีบุตรจะต้องสงเคราะห์พราหมณ์พวกนี้ก็เลยเรียกประชุมเลยประชุมงสงภาษาบกเยเรียกพราหมณ์มาด้วยพระองค์ก็ถามในที่ประชุมเลยนะนะบอกว่าในที่ประชุมนี้ในภิกษุสงฆ์นี้มีใครระลึกถึงคุณของพราหมณ์นี้ได้บ้างว่าพราหมณ์นี้ได้ทําคุณอะไรแก่ใครก็ได้หรือองค์ไหนก็ได้มีใครระลึกได้ไหม เงียบเลยไม่มีเลยเนี่ยนอกเหนือจากภาษาลิบุตรองค์เดียวเนี่ยภาษาลิบุตรบอกว่าข้าพระองค์ระลึกได้เยะเนี่ยก็เลยให้ท่านชี้แจงว่าเมื่อไร่ที่ไหนเนี่ยท่านก็บอกว่าในเมืองราชสครึนี่แหละเนี่ยคราวหนึ่งฆ่าพระองค์ไปวินทบาทในเมืองราชสครึไม่มีมนุษย์หนาไหนใส่บาทให้เลยเนี่ยมีท่านลาทาพาผามคนนี้แหละคนแก่คนยาก คนจนก็ไม่ำลำรวยอะไรเนี่ยเขาอุตส่าห์ใส่ข้าวให้ทัพพีหนึ่งเนี่ยเห็นไห ม, มความประทับใจเนี่ยใส่นิดเดียวเท่านั้นแหละมันเป็นความประทับใจเนี่เราได้เห็นพระพุทธเจ้าไหมตอนไปจะไปปดพระญาติที่เหมือนกับเิลพัฒน์เนี่ยคุณยายคนหนึ่งใส่ให้ก้อนเดียวเห็นหมโอ้โหมันเป็นความสุขเลยนะพระองค์ไม่ลังเกียิรับ แล้วแล้วยังเอาไปฉันในวังอี่างต่างหากไม่ธรรมาดาเลยพราหมณ์นี่ก็เหมือนกันนะพราหมณ์นี่เพราะภาษารีบุทบอกว่าเห็นคุณของพราหมณ์อยู่หลวปชาท่านก็อาศุดขยายความว่าเนี่ยถ้าข้าพระองค์ไม่ได้ข้าวทัพพีหนึ่งวันนั้นน่ยชีวิตของข้าพระองค์ก็คงจะดําเนินไปด้วยความลําบากน ะ, นะจะได้ข้าวจากลาทับพรามนี่แม้ทับพีหนึ่งรู้สึกมีคุณค่ามากเนี่ย เห็นคุณของราธาภพพอยู่เนะี่ยพระพุทธองค์เลเออถ้าอย่างนั้นสาลิบุตรนั่นแหละบวชให้บวชให้ใหพระมราทัพพามเนี่ยเนพระสาลิบุตรก็เลยเป็นอุปชาบวชให้พอบวชให้เสร็จก็ตามอุปชาอาจารย์นะฮะแล้วก็มีเอตถคะด้วยนะคือเลิศด้วยเนี่ยว่าเป็นผู้เลิศนี S <S <an> ปกติก็ว่าถ้าบวชเมื่อแก่แนละผ่านประสบการณ์มากและทิฐิจะเยอะนีแต่ละถ้าพรามนี้กลับไปตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กก็เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายบอกคําเดียวเท่านั้นนี่ยไปกับภาษารีบุตรพอกลับมาเฝ้าพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ก็ถามเจาะใจเลยรากภาษารีบุตรเป็นยังไงบ้างนีพราหมณ์แก่ไปอยู่ด้วยเป็นยังไงเนี่ยเพราะสาราลีบุตรก็สรรเสริญโอ้ยพราม์นี้ วัดปฏิบัติดีมากเนี่ยเป็นผู้ที่น่ารักนี่ยอุปชาอาจารย์บอกคําเดียวเท่านั้นไม่ได้บอกสองคำเลยเ <g> บ <iggle> บอกคําไหนคํานั้นทำเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนีว่า ง, ง่ายสอนง่ายว่างนั้นเนี่ย <g iggle> เมื่อเห็นภาษาลิบบทรับรองนั้นพระองค์ก็เลยตั้งเอตัคขะคือความเป็นเลิศให้เลยเนี่บอกว่าราธาพรามตรงนี้ให้เป็นเลิศคือเป็นผู้ว่างง่ายสอนง่ายก <g iggle> ็มีเลิศเหมือนกันนั่นก็คือ ความพิเศษของภาษารีบุตรเนี่ยมีหลายเรื่องนะเรื่องที่เราอ่านผ่านมาเห็นไหมท่านถูกประหารท่านก็ท่านก็เฉยได้ถูกประหารถูกตีเน่ยบางที่บางแห่งด้วยว่ากลับไปถึงวัดแล้วพระก็ยังต่อว่าเนี่ยบอกว่าทําไมเนะี่ยประหารท่านท่าอยู่ดีๆมาประหารเนี่ยทําไมท่านต้องเฉ ย, ยได้อย่างนั้นนะออท่านก็บอกว่าเอา เขาเขาประหารท่านเลยเขาประหารผมไม่ใช่เลย<笑><笑>เก็ประหารผมผมก็วางไว้ตรงนั้นแล้วผมไม่ได้เอาโทษกับเขาแล้วเนี่ยแล้วท่านยังมาเป็นทุกข์ยังมาเดือดร้อนอีกเลยก็<笑><笑>ให้ข้อคิดแก่ลูกศิษย์อีกเนี่ย น, นเยคุณธรรมของภาษาริบบที่มีมากมายเนี่ยก็เป็นข้อคิดที่ดีเตือนใจ อยังธรรมะกถาสาธายสมันเตหิสันละเคตภาตี